ข้อความในพระสุตันตปิฎกมหานิเทศเล่มหกสิบหกมหาวิยูหะสุตตะนิเทศที่สิบสามมันก็แสดงธรรมเหมาะกับเทวดาผู้เป็นโมหะจริตนะสูตรที่แล้วเทวดาประเภทวิตกจริตนี่ก็ประเภทโมหะจริตพระพุทธเนรมิตรก็ตรัสถามว่า สมณพรามหมณ์เหล่าใดเหล่านึ่งมีความอยู่รอบในทิฏฐิย่อมกล่าวว่าสิ่งนี้แหละจริงสมณพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมดทีเดียวย่อมถูกนินทาหรือว่าย่อมได้สรรเสริญในเพราะทิฏฐินั้นก็ตั้งคําถามว่าอา้าวถ้า ถ, ถ้าฉันจะอยู่ในทิฏฐิของฉันน่ะนะจะได้อันนี้สงอะไรอะไรกําไรใช่ไหมจะถูกเขานินทาอย่างเดียวรู้ว่าจะถูกเขาสรรเสริญด้วยะนะ <c oughs> คําว่า ถ้ามีความอยู่รอบในทิฐินั้นน่ะนะคือมีสมณพราหมณ์เหล่าหนึง่งผู้ดำเนินไปตามทิฐิสมณพราหมณ์เหล่านั้นน่ะถือยึดถือจับต้องถือมั่นยึดมั่นซึ่งทิฏฐิหกสบสออย่างใดอย่างหนึ่งชื่อว่าย่อมอยู่อยู่ร่วมมาอยู่อยู่รอบในทิฐิของตนของตนเปรียบเหมือนพวกครหอขัดผู้อยู่ครองเรือนชื่อว่าย่อมอยู่ในเรือนพวกบรปรปชิตผู้มีอบัตเชื่อว่าย่อมอยู่ในอบัตรหรือพวกมีกิเลส ช, ชื่อว่าย่อมอยู่ในกิเลสฉะนั้น คำว่าย่อมกล่าวว่าสิ่งนี้แหละจริงว่า ง, งั้นย่อมบอกพูดแสดงถแถลงว่าโลกเที่ยงสิ่งนี้จริงสิ่งอื่นเปล่าก็อันตักคาฮิกะทิฐิสิบน่นนะนะก็สรุปว่าอยู่ในอุเฉททิฏฐิกับสัสตตทิฐิเมื่อ ย, ยึดถืออย่างนั้นก็อย่างนี้แหละจริงอย่างอื่นเปล่าสมณะพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมดย่อมถูกนินทานีนะหมายความว่าจะถูกนินทาอย่างเดียวหรือว่าย่อมได้สรรเสริญในเพราะทิฐินั้นนะนะก็ถ้า สำนวนว่าถ้าฉันจะยึดถือทิฏฐิของฉันน่ะนะฉันจะถูกเขาต่อว่าอย่างเดียวหรือหรือจะได้คําสรรเสริญบ้างพระองค์ก็ตัดกิเลสตัดประเด็นว่าก็ความสรรเสริญนั้น่ะเป็นของน้อยนะไอ้ถูกนินทานเนี่ยน่นอนละเหมงอนันแต่ว่าก็ได้รับสรรเสริญอยู่บ้างละ่ะแต่ความสรรเสริญเนี่ยน้อยไม่พอเพื่อที่จะสงบกิเลสเขาก็ชมในตอนแรกเท่านั้นน่ะนะตอนที่เขาเห็นด้วยคนอื่นเขาก็ชมบ้าง แต่ว่าหลังจากนั้นเมื่อเขารู้ว่าทิฏฐิอันนั้นเลวร้ายอะเขาจะทําไงเขาก็นินทาสิตอนหลังก็ถูกนินทาถ้าเบื้องหน้าแต่ตายกายแตกไปอ่ก็สู่อาบายทุกขติวินิบาดนรกเพราะทิฐิขติสองหรือคติสามของทิฏฐิก็คือนรกเปรตและเดรฉ า, านก็คืออาบายนั่นเองเพราะฉะนั้นไอ้ความสันเสริญเนี่ยนะสมมติถ้าเรายึดถือในลทัทธิใดลัทธิหนึ่งที่เขาเมื่อยึดถืออย่างนั้นแล้วเขาสันเสริญไอ้คาสันเสริญเนี่ยน้อย ไม่พอที่จะสงบกิเลสได้หรอกข่าพระองค์ย่อมเห็นผลแห่งความวิวาทเป็นสองอย่างบุคคลเห็นโทษนั้นแล้วเห็นอยู่ซึ่งภูมิแห่งความไม่วิวาทเป็นธรรมชาติกเกษมไม่พึงวิวาทเห็นไอธิบายว่าก็ความสรรเสริญนั้นะเป็นของน้อยไม่พอที่จะสงบกิเลสได้ความว่าความสรรเสริญนั้นเป็นส่วนน้อย ต, ต่ำชาญนิดหน่อยสกปรก ต่ำต้อยเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าความสรรเสรนเนี่ยเป็นของน้อยคำว่าไม่พอเพื่อจะสงบกิเลสก็คือไม่พอเพื่อจะยังราคะโทสะโมหะคือไม่สามารถดับโลภะโทสะโมหะไม่สามารถที่จะดับความโกรธความผูกโกรธไม่ไม่สามารถพอที่จะดับความลบลู่ตีเสมอความริษยาความตรนีมารยาโออวดความกระด้างความแข็งดีความถือตัวความดูหมิ่นความเมาความมัวเมาเนี่ยนะ กิเลสทุจริตความกระวนกระวายความเร่าร้อนความเดือดร้อนอากูสลาพิสังขารให้สงบเข้าไปสงบดับสละคืนระงับไปทั้งปวงอากูสลาภิสังขารทั้งปวงให้สงบเข้าไปสงบดับสละคืนระงับฉนั้นจึงเชื่อว่าความสรรเสริญนั้นเป็นของน้อยไม่พอเพื่อจะสงบกิเลสถ้าเรายึดถือในรัตที่อันใดอันหนึ่งถึงเขาจะชมบ้างแต่คำชมนั้นช่วยให้เราดับกิเลสได้ไหม ถ้าดับกิเลสไม่ได้ก็ดับวัตตะไม่ได้เนี่ยนะถ้าดับกิเลสดับวัตตะไม่ได้ก็แสดงว่าต้องจมอยู่ในกองทุกข์เพราะฉะนั้นอย่าไปเห็นแค่คําสรรเสริญคํายกย่องเล็กๆน้อยๆเลยเนี่ยนะมันไม่พอหรอกสํานวนว่ามันไม่คุ้มอ่ะนะสํานวนว่าแหมถ้าไปโดดเขาโชว์ให้คนอื่นเขาชมเนี่ยนะว่าใจถึงเนี่ยนะก็ตายฟรีอ่ะที่ถเหล่านี้มันน่ากลัวยิ่งกว่าโดดเขาซะอีกนะทีนี้ย่อมกล่าวผลแห่งความวิวาสสองอย่าง คือถ้าถ้ายืนยังหนักแน่นยืนยันอยู่ในลัทธิของตัวเองนะก็จะต้องเที่ยวทะเลาะกับคนอื่นทีนี้เมื่อการทะเลาะกันเนี่ยมีผลสองอย่างนะผลจากการทะเลาะกันเพราะแบกทิฐิความว่าความทะเลาะกันเพราะทิฐิความหมายมั่นกันเพราะทิฐิความแก่งแย่งกันเพราะทิฏฐิความวิวาดกันเพราะทิฏฐิความทุ่มเถียงกันเพราะทิฏฐิมีผลสองอย่างคือความแพ้และความชนะนะถ้าถกกันเลยใช่ไหม เมื่อถกกันก็เหมือนมวยนะก็ไม่แพ้ก็ชนะความมีลาบและความเสื่อมลาบความมียศความเสื่อมยศความนินทาและความสรรเสริญสุขและทุกข์โสมนัสและโทมนัสอารมณ์ที่น่าปรารถนาและอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาความชอบความชังความฟูขึ้นและความฟุบลงความยินดีและความยินร้ายถ้าถกเรื่องทิฏฐิชนะจะได้ผลยังไงก็คือได้ลาบได้ยศ ได้รับคําสรรเสริญได้รับความสุขได้รับโสมนัสได้รับอารมณ์ที่น่าปรารถนาความน่าชอบแล้วก็ความฟูขึ้นได้ความยินดีเนี่ย ถ, ถ้าถกกันจนชนะนะเรียกว่าสู้กันจนชนะเหมือนมวยอะ่ะเทียบเปรียบเหมือนมวยะนะต่อยกันแนละ้วโอ้โหเป็นคู่ดูเดือดอะ่ะเป็นคู่ดูเดือดที่เขาชมอะ่ะโอ้โหคู่นี้ดูเดือดมากะนะต่อยกันอยู่ห้ายกเนี่ยนะอีกฝ่ายชนะอีกฝ่ายแพ้ถามว่าไอความชัยชนะอันนั้นเนี่ยน่าสนใจไหม เขามีไอ้วงนักวงดนตรีคณะอันวงหนึ่งไปต่อยมวยงานวัดนี่แหละได้เป็นคู่ดูเดือดชนะกลับมาบ้านตาย <c oughs> คู่ดูเดือดนะตายชนะแต่ว่าตายอะ่ะเพราะมันบอบช้า ม, มากอ่ะนะเพรคู่ดูเดือดด้วย <c oughs> นี่ก็เหมือนกันไอ้รับ ท, ที่ทิ้ิเหมือนกันทะเลาะเบาะแวงแก่งแย่งกันเนี่ยถึงจะชนะก็ตามถึงจะได้ราบมันก็ไม่ค่อยคุ้มอะไรเนี่นี่ ถ้าเทียบกับผลของมิจฉาทิถิอ่ะนะไม่ไม่คุ้มอะไรถึงจะได้ใครชนะมีลาบมียศได้รับคําสรรเสริญได้รับความสุขได้รับอารมณ์ที่น่าปรารถนาได้ความชอบได้ความฟูเนี่ยนะก็ไม่ได้คุ้มอะไรแต่ถ้าแพ้ล่ะถ้าแพ้ก็เสื่อมลาบเสื่อมยศได้รับคํานินทาได้รับความทุกข์ได้รับโทมนัสได้อารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาได้ความชังแล้วก็ได้ความฟุบลงได้ความยินร้ายมันก็สรุปว่า ผลที่ได้รับก็นหน่อยเดียวอ่ะนะ แ, แพ้ก็เสียหายยับเยินเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งข้าพระองค์ย่อมกล่าวบอกแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกทําให้เตือนประกาศว่ากรรมนั้นอ่ะให้เป็นไปในนรกผลอ่ะนะผลก็คือให้ในนรกกรรมนั้นอ่ะเป็นไปในกําเนิดเดริฉานกรรมนั้นอ่ะเป็นไปในเปรตวิสัยวิสัยแห่งเปรตนี่นะถ้ายังยืนยันหนักแน่นในทิศทีทะเลเบาะแหวงกันเนี่ย เนี่ยนะก็เนี่ยมาแบบจักจันทร์ใที่กำลังดังอเนี่ยนะร้องระ ง, งมส น, นันตาอยู่หมดเนี่ยเาะก็คือที่อื่นก็บอกว่าเปรตนี่ก็นับในนรกอ่ะนะเทียบกันนรกบางอย่างก็เทียบกับเดระฉานนั้นก็ถ้าบอกนรกกับเดระฉานก็กล่าวถึงอบายสีนั่นเองคําว่าเห็นโทษนั้นแล้วก็คือเห็นโทษของทิฐิอ่ะนะว่าทิฏฐิที่ผู้ใดปฏิบัติตาม ก็ทะเลาะกันก่อนแล้วก็ผลแห่งการทะเลาะก็อาบายทุกขติวิริบาทนรกอย่างนั้นถ้าเห็นโทษคือเห็นพบพิจารณาเทียบเคียงทําให้แจมทําให้แจ้งทําให้แจ้งแล้วซึ่งโทษนั้นในความทะเลาะกันเพราะทิฏฐิความหมายมั่นกันเพราะทิฏฐิความแก่งแย่งกันเพราะทิฏฐิความวิวาทกันเพราะทิฏฐิความทุ่มเถียงกันเพราะทิฐิฉะนั้นจึงชื่อว่าเห็นโทษแม้นั้นแล้วคําว่าไม่วิวาทคือไม่พึงทําความวิ วิวาทไม่ถึงความไม่พึงทำความทะเลาะกันไม่พึงทำความหมายมั่นกันไม่พึงทำความแก่งแย่งกันไม่พึงทำความวิวาทกันไม่พึงทำความทุ่มเถียงกันคือพึงละบรรเทาทาให้สิ้นายให้ถึงความไม่มีซึ่งความทะเลาะความหมายมั่นความแก่งแย่งความวิวาทความทุ่มเถียงพึงเป็นผู้งดเว้นเว้นเฉพาะออกไปสลัดออกพ้นขาดไม่เกาะเกี่ยว ทำจิตให้ปราศจากเขตแดนจากความทะเลาะความหมายมั่นความแก่งแย่งความวิวาทและความทุ่มเถียงเพราะฉะนั้นก็เห็นโทษเห็นโทษของการทะเลาะวิวาทแล้วนะโทษของภพนี้ด้วยโทษในภพหน้าเป็นต้นก็ให้ละนะเห็นอยู่ซึ่งภูมิแห่งความไม่วิวาทเป็นธรรมชาติเกษมที่ไหนที่จะไม่ทะเลาะวิวาทอะไรที่จะไม่วิวาท บอกว่าอมตะนิพานได้แก่ความสงบแห่งสังขารทั้งปวงความสละคืนอุปธิคือกรรมวิบากริเลสทั้งปวงนี่นะความสิ้นตันหาความสํารอกตันหาความดับตันหาความออกจากตันหาเครื่องร้อยรัดเรียกว่าภูมิแห่งความไม่วิวาทคือเมื่อปฏิบัติจนบรรลุอสังขตะธาตคือพระนิพานแทงตลอดนิโรศ จ, จะอย่างนี้แล้วเนี่ยนะก็ไม่ต้องวิวาทไม่ต้องทะเลาะอาวิวาดอะไรคือบุคคลเห็นดูแลดูพินิษ พิจารณาซึ่งภูมิแห่งความไม่วิวาทคือนิพานนั้นอ่ะโดยเป็นธรรมชาติเกษมเป็นที่ต้านทานเป็นที่ลี้ภัยเป็นที่พึ่งเป็นที่ไม่มีภัยเป็นที่ไม่เคลื่อนเป็นที่ไม่ตายเป็นที่ดับฉะนั้นจึงชื่อว่าเห็นอยู่ซึ่งภูมิแห่งความไม่วิวาทนั้นว่าเป็นธรรมชาติเกษมเหมือนกับว่าฝั่งวัตตะเนี่ยมันมีแต่สงครามมันทะเลาะเกิดการแก่งแย่งกันเหรอนะเห็นฝั่งอีกตรงกันข้ามที่สงบระงับอ่ะนะชันใดก็ดี เห็นว่าสังคตาธาตุทั้งปวงเป็นที่ตั้งแห่งมิจฉาทิฐิเป็นที่ตั้งแห่งการทะเลาะเบาแวงกันก็มีจิตน้อมไปหาอาสังคตาธาตุธาตุที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งว่าเอออสังคตาธาตุนี่ดีนะพ้นจากการทะเลาะพ้นจากความวิวาทเป็นต้นสรุปคาถาที่พระองค์ตอบแล้วว่าความสรรเสริญ น, นั้นเป็นของน้อยไม่พอเพื่อสงบกิเลสนะถ้ายังยืนยันหนักแน่นอยู่ในรับที่นะก็ เช่นใครยึดถือข้อปฏิบัติของตัวเองบอกแหมปฏิบัติมาหลายสิบปีแล้วงั้นนะคนอื่นก็จะชมหน่อยอยู่ได้นานนะอยู่ได้ทนนะอยู่เท่านั้นอันนี้สง์แต่ว่าและผลของทิฏฐิอันนั้นละ่ะก็นรกเปรตอสุรนรกเปรตเดรัจฉานน่แหละมันคุ้มอะไรกันเพราะฉะนั้นผลของการวิวาทก็มีสองอย่างะนะสองก็คือผลในปัจจุบันก็ถ้าชนะก็ดีไปถ้าแพ้ละ่ะเสียใจไปขณ ะ, ะเดียวกันตัวทิฐิก็อาบาย เมื่อเห็นโทษดังที่กล่าวไปเห็นอยู่ซึ่งนิพพานเนี่ยเป็นภูมิแห่งความไม่วิวาทเป็นธรรมชาติกเกษมไม่พึงวิวาทปกติเนี่ยคนไม่วิวาทกันเพราะอาศังคตาธาตุหรอกไม่เอาอาังคตาธาตุมาทะเลาะกันเอาขันท่าเนี่ยมาทะเลาะกันขันท่าเนี่ยเป็นภูมิแห่งการที่ทะเลาะวิวาทกันด้วยทีิฏฐิ ด้วยมานะด้วยกิเลสด้วยตันหามทะเลาะกันเรื่องรูปเว๊ะทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่แหละที่จะทะเลาะกันเนี่ยนะไม่เกินนี้หรอกเพราะฉะนั้นเห็นว่าโอ้อันเนี้ยไม่ดีเลยนะเป็นที่ตั้งแห่งความวิวาทเป็นที่ตั้งแห่งทิฐิโดยประการทัง้งปวงเห็นอยู่ซึ่งอสังขตาธาตุเนี่ยไม่เป็นที่ตั้งแห่งการทะเลาะวิวาทเลยสมมุติสมมุติคือตัวทิฐิเหล่าใดาเหล่าหนึ่งนี้ที่เกิดแต่ปุตุชน นะทิฐิมิจฉาทิตฐิก็เกิดในปุถุชนนะนะบุคคลผู้มีความรู้ย่อมไม่ถึงสมมติทั้งปวงเหล่านั้นพระอริยะท่านก็ไม่ได้ไปเข้าถึงทิฐิไอตัวนั้นหรอกบุคคลผู้ไม่มีกิเลสเป็นเครื่องเข้าถึงนั้นไม่ทำความชอบใจในรูปที่เห็นในเสียงที่ได้ยินพึงถึงสังขเอ่อพึงถึงสังขารธรรมอันควรเข้าถึงอะไรเล่าเธอถ้าไม่มีตัณหาในรูปเสียงเกลิ่นรถโพธาภะกับธรมรมารมณ์แล้วนะ จะไปยึดมั่นเข้าถึงด้วยตัณหาทิฏฐิในอารมณ์ร้ายว่างั้นอธิบายว่าสมมุติเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เกิดในปุตุชนเนี่ยคำ ว, ว่าก็คือพวกทิฏฐิหกเนี่ยนะที่เกิดจากปุตุชนเนี่ยว่าสมมุติคือทิฏฐิหกเหล่านั้นอันปุตุชนให้เกิดอันหรือว่าอันชนเจ้าทิฏฐิต่างๆเป็นอันมากให้เกิดก็เรียกว่าทิฏฐิที่เกิดจากปุตุชนเนี่ยนะปุตตุชนเนี่ยพ่นลัทธิต่างๆขึ้นมา พ้นลทัทธิเหมือนอะไรก็เหมือนกับนะเนี่ยพวกผลิตเอตกันขึ้นมาในโลกเนี่ยนะมันสร้างความระบาดสร้างความเสียหายเดือดร้อนฉันใดพวกปุตุชนทั้งหลายที่สร้างลทัทธิแล้วขึ้นมาก็เหมือนกับว่าพวกที่เพาะพันเอตขึ้นมาลักษณะนั้นนะ่ะไม่ได้มีความต่างกันเลยคำว่าบุคคลผู้มีความรู้คือย่อมไม่ถึงสมมติทั้งปวงเหล่านั้นนะผู้มีความรู้ก็ไม่ถึงลทัทธิไม่ยึดเอาทิฐิเหล่านั้นความว่า บุคคลผู้มีความรู้ถึงวิชามีญาณมีปัญญาแจ่มแจ้งมีปัญญาทำลายกิเลสย่อมไม่ถึงไม่เข้าถึงไม่เข้าไปถึงไม่ถือไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นซึ่งทิฏฐิทั้งปวงเหล่านั้นไม่ยึดถือถึงทิฏฐิหกบสองเหล่านั้นเชื่อว่ากิเลสเป็นเครื่องเข้าถึงเนี่ยนะในคําว่าบุคคลไม่มีกิเลสเครื่องเข้าถึงพึงถึงสังขารธรรมอันควรเข้าถึงอะไรเล่าไอการเข้าถึงเนี่ยนะ เขาเข้าถึงสังขารเนี่ยก็เข้าถึงด้วยอำนาจของตัณหากับทิฏฐิเนี่ยบุคคลนั้นละกิเลส เ, เครื่องเข้าถึงคือตันหาสละกิเลสเครื่องเข้าถึงคือทิฏฐิเพราะเป็นผู้ละกิเลสเครื่องเข้าถึงคือตันหาสละคืนกิเลสเครื่องเข้าถึงคือทิฏฐิเชื่อว่าไม่มีกิเลสเครื่องเข้าถึงพึงเข้าถึงพึงเข้าไปถือยึดมั่นถือมั่นซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไร จะยึดถือคติ5อุบัติปฏิสนธิพบสสังขารอะไรวัตตะอะไรว่าเป็นตนของเราเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่มีกิเลสเครื่องเข้าถึงคือตันหากับทิฏฐิอย่างนี้นะจะไปยึดถือว่านี้รูปเราเวทนาของเราสัญญาของเราสังขารของเราวิญญาณของเราเนี่ยมนุษย์ของเราหรือเกิดในอุบัติของเราปฏิสนธิพบของเราสงสารของเราวัตตะของเราเนี่ย เพราะฉะนั้นบุคคล น, นั้นไม่มีกิเลสเครื่องเข้าถึงะจะพึงถือจะพึงถึงสังขารธรรมอันควรเข้าถึงอะไรเล่ า, านะท่านจะไปยึดเอาอะไรใช่ไหมมายึดเอาอะไรว่าเป็นเราเป็นของเราะนะเพราะอะไรเพราะว่าสังขารธรรมทั้งมวลเหล่านั้นรู้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงนะเขาก็เลยไม่ได้ไปยึดถือไข่ครควนถือมั่นในสิ่งเหล่านั้น